วันนี้ตรงกับวันที่23พฤศจิกายน2534แล้วก็มาตอนเช้าเวลาประมาณ9นาฬิกาเศษหลังจากทำงานจากองสือแล้วก็นอนพักพอพักเริ่มภาวนาก็มีพระท่านมา บอกว่าเรื่องการสร้างเจดีย์ก็ดีสร้างองค์พระปถมก็ดีสร้างวหานองค์พระปฐมก็ดีทำหมดนี้คนจะทําเปตนองสือไว้เพื่อลู้หลังทั้งหลายเขามีความเข้าใจว่าสร้างทําไมก็ขอนําเรื่องนี้มาคุยกันอันนี้ไม่มีตํารานะคุยเงินแบบธรรมดาธรรมดา รือว่าการสร้างเจดีในบรรดาท่านพุทธบริษัททุกหลานทุกคนโปรดทราบว่าเมื่อต้นปี2534ตอนนั้นกำ ล, ลังป่วยมากเวลานี้ก็ป่วยแต่ว่าการป่วยเขานั้นต่างกับเวลานี้ถ้าถึงเวลา4โมงยินมันจะเริ่มอาเจียน แล้วก็เจียนเรื่อยไปจนถึงห้าทุ่มหลังจากห้าทุ่มแล้วยังนอนได้เป็นอย่างนี้ทุกวันาการฉันอาหาราการ็ฉันไม่ได้มากแล้วก็จะกินน้ำบางทีพ็กินน้ำเปหนึ่งแก้วก็เจียนสามแก้วท้องก็ผูกถ้าต่อมาก็มีโรคความดันสูงถึงร้อยหกสิบ แล้วก็มีน้ำในกรบน้ำในปอดหัวใจเต้นไม่เป็นยังวะอนี้เป็นต้นได้รับการทรมานทางร่างกายอย่างหนักแต่ถว่าบรรดาท่านพู้บัายทักน้ำายไม่มีใครเคยคิดว่าเนื้อแท้จริงๆ ทำไมอาตมาจึงทําการกอร่อสร้างถ้าพูดทั้งการกอร่อสร้างแล้วเบื่อจริงๆเวลานี้อยากจะหยุดทุกอย่างที่ทำเพราะว่าทั้งแก่และทั้งป่วยแต่ว่าในขณะนั้นมีวันหนึ่งตอนต้นปีขณะที่จะเริญนภาวนาอยู่ว่าท่องเที่ยวพนที่ต่างๆไม่ที่พอใจ เรื่สบายแล้วกลับพื้นที่แล้วกลับพื้นที่พอจะถอนสมาธิก็ดีเห็นพระท่านมาท่านบอกว่าคุณยังตายไม่ได้นะความจริงเวลานั้นและเวลานี้ก็ตามอยากตายเต็มทีถ้าตายเมื่อไรก็มีความสุขเมื่อ น, นั้นเพามีบ้านอยู่เด็กก็ลองดูคราวหนึ่ง ถอยหลังจักนี้ไปประมาณยี่สิบปันเศษจะไปจริงๆประตูบ้านถูกปิดเข้าเขตบ้านไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลามันก็ลาบากเหมือนกันก็ต้องนั่งมากับทรนมานั่งทรมานคุยอย่างนี้แหละแต่เป็นว่าพระจะบอกว่าวัดยังไม่เสร็จยังตายไม่ได้ แต่การี่สองคุณสำหรับบำรุงวัดในพระสงฆ์ภายหลังถ้ายังมีไม่พออย่างตายไม่ได้อะาอื่นไม่สำคัญหนึ่งทุนจะไปเกลี้งใครเขาทุกคนต่างคนต่างก็มีทุกทุกคนต่างก็หากินพอบ้างไม่พอบ้างไอ้ที่เหลือกินเขาก็มีเขาจำเป็นต้องกินต้องมีต้องเก็บไปใช้บ้าง ก็เป็นว่าถ้าท่านก็บอกว่าวัดยังขาดเจดีย์คุณอย่าคิดนะว่าวัดเนี่ยทำครบโวนแล้วตามความประสงค์ของฉันจะลืมในบรรดาท่านพุทธบริษัทวัดท่าทรงที่สร้างขึ้นนี้ไม่สร้างตามความประสงค์อาตมาอาตมาเองหนีการก่อสร้างมาจากวัดบางลงโคเบื่อการก่อสร้าง หวังจะหาอยู่ที่สงัดไม่เห็นวัดท่าสงมีสภาพเป็นวัดร้างก็คิดวา่าวัดอย่างนี้ไม่ค่อยมีคนมาเราจะสร้างกุฏิสักหลังเดียวแตบบ่กุฏกะทอบเล็กๆ ก, ก, ก็สบายใจแล้วแต่ที่ไหนได้นั่นเป็นความประสงค์อาตมาต่อมากลายเป็นความประสงค์ของพระพระธรรมกะเมื่อที่ ว่าต้องสร้างให้เต็มตามบาเรียนี้มีเนื้อที่เท่านั้นสร้างรูปอย่างนั้นสร้างรูปอย่างนี้เวลานั้นสตังก็ไม่มีเงินร้อยบาทยังไม่เคยติดกระเป๋ายังไดถาม น, นว่าจะสร้างได้ยังไงท่านบอกว่าไม่เป็นไรฉันจะช่วยหาสตังในเมื่อท่านรับปากจะช่วยก็ยอมรับทําเมื่อทํา ม, มาถึงขั้นนี้มันก็ใกล้จะเสร็จ ยังขาดอยู่วิหารรอ้อวิหา ร, ร, รายี่พ่าเม็ดเขาทอดยี่พ่าไรยังไม่ได้ทาสีทางเดินร้อยร้อยรอบร้อยไร่ ย, ยังไม่ไประจบ ก, กันแต่ถึงยังไงก็ดีก็ต้องพบกันกันได้เขาค่อยทำไปจนเสร็จถ้ายังไม่ตายนั่นน่ะบอกว่าที่คนคิดว่าเสร็จมันก็ยังไม่เสร็จกุฏิไม้ที่สร้างมันในครั้งก่อนหลังโบท ให้รื้อขึ้นมาเป็นคนติดให้หมดจะได้ไม่พังแล้วอีกประการหนึ่งวัดต้องมีเจดีย์เลยชี้ให้ท่านดูยอดวิหารว่าวิหารแลว้วว่าบนันดลบุตรลูกหลังมียอดทั้งหมดคล้ายเจดีย์อยู่แล้วท่าน บ, บอกว่าท่านบอกว่านัานมันยอดวิหารยอดนบันดลไม่ใช่เจดีย์คนต้องสร้างเจดีย์ยิ่งเย้ฝปทวน ก็ได้ถามว่าจะสร้างที่ไหนผมไม่มีที่จะสร้างท่านบอกว่าถ้าสร้างที่ร้อยไรก่ก็ได้แต่กราบเรีนท่านบอกว่าถ้าที่ร้อยไร่ไม่สร้างทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าที่ร้อยไร่ปลูกต้นไม้ไว้เต็มต้องการให้เป็นป่าเพื่อความร่มเงย็นเป็นสุขทั้งคนและสัตว์ท่านก็เลยบอกว่า มันแลกตกลงก็ไม่ได้ท่านกำหนดสร้างพระเจดีย์ใหญ่มากแล้วก็สูงมากต่อมาวันที่สองท่านมาใหม่ในเวลาเดียวกันคือเวลาประมาณปีเกือบทีสี่เลิกเจริญกรรมาฐานท่านก็นมาพูดอีกอาตมาก็ไม่ยอมรับว่าถ้าให้ผมซื้อที่ใหม่นี่ผมไม่ซื้อ ที่ที่บอกที่สร้างเจดีย์ไม่มีที่ไงก็ตามเจดีย์ใหญ่ขนาดนั้นผมไม่ทำแน่นอนท่านก็นิ่งถ้าท่านก็กลับไปวันที่สามท่านมาใหม่ถ้าบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันองค์ใหญ่ไม่ต้องทำแต่ให้ทำองค์เล็กๆแต่ต้องราคาแพงถานนว่าราคาประมาณเท่าไหร่ บอกไม่รู้ละฉันหาให้ทันก็แล้วกันน่าราคาไม่แน่นอนว่ราะของไม่จะขาดของไม่จะขึ้นราคาข น, น, นาไม่ช่าของจะขาดมือลงในท้อนตลาดราคาจะสูงขึ้นถ้ากาหนดราคาเวลานี้ก็ใช่ไม่ได้ก็เป็นว่าท่านยอมรับว่าท่านจะหาเงินให้ทันแล้วท่านก็สั่งวอกว่า ถ้าจะสร้างนะเอาที่ตรงนี้นะเอาที่ใกล้ๆพระพุทธรูปอุ้มบาทยืนตรงนั้นต้องทำให้สวยแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็ดอกไม้จะปิดทองตามร่องติกระจกตอนนเห็นมองเห็นความสวยถามนด้ว่าทำไมต้องสวย ทบอกว่าเป็นการเจริญศรัทธาทุกอย่างที่ทำนี่ไม่ต้องการโ อ, โอ้อวดไม่ต้องการแข่งขันกับใครจรึงทำไม่เหมือนใครต้องการอย่างเดียวให้ทุกคนที่มองเห็นแล้วติดตาติดใจว่าวัดท่าส่งมีอะไรบ้างที่เราชอบใจถ้าเวลาก่อนเขาจะตายจิตเขานึกขึ้นมา ว่าเราเคยเห็นวัดท่าสงชอบใจตรงนั้นชอบใจตรงนี้ในขณะนั้นก็เพราะเขาตายไปเขาจะไปสวรรค์ทันทีอันนี้เป็นดีลารของพระท่านที่ต้องการใช่คนไปสวรรค์โดยใช้รูปแบบสวยๆ ย, ยิงเรียกกันได้ช่างบระเสยกระจำเนียนสามีปรรัญญาเป็นช่างประจําวัดช่างปั้นพระ เึ่งความสวยงามต้องยกให้สองคนสองคนนี่มีความรู้บวกกันแล้วเป็นปแปดก็นั่นหมายความว่าเมียปสี่ผัวก็ปสี่ถ้าบวกกันแล้วก็เป็นปแปดเข้า ม, มาปรึกษาหารือให้การสถานที่ว่าท่าที่ตรงนี้จะสูงขนาดไหน เธอกะสถานที่แล้วก็บอกว่าที่ตรงนี้จะสูงได้ก็ประมาณไม่ต่ำกว่าพระยืยนเฉพาะยอดนะถึงยอดเรื่องที่พอใจก็บอกกับเธอว่าเจดีย์นี้ตรงมีดอกพุทธานทั้งหมดดองพุทธานทั้งหมดปิดทองคำร่องพุทธานก็ปิดกระจกกระจกเงาขาวใส ห้างใช้กระจกสีเพราะว่าไม่สวยเวลาทอแสงแดดพระทรานแสงแดดก็เป็นกระกลงเธอก็ใช้เวลาผ่านมานานใกล้จะโดนฝนที่จะเป็นพฤษภาคมสองพันห้ารสิบสี่ก็ลงโดอธรรมก่อนที่จะทำก็มีคุณอภิชาติสุ ข, ขมุม รู้ข่าวเข้าก็ไปเป็นไปถ่ายภาพเจดีมาจากวัดต่างๆอย่างวัดโพบ้างวัดไหนบ้างก็ตามเอามาหลายภาพเอามาให้เลือกจะเลือกแล้วไม่เป็นที่พอใจของพระท่านีนีิจะให้ประเสริฐให้เขียนภาพขึ้นมาสองภาพแต่เรียบๆกับเด็มีขั้นตอน เธอก็เขงมาท่านเป็นที่พอใจต่อมาเขาก็ลงมือสร้างส่วนล่างทั้งหมดถึงคอระครังเป็นเรื่องของประเสริฐกับจำเนียนด้นคอระครังเป็นเรื่องของพระสามารถซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญตรนนี้อยู่พอทุกคนก็เป็นการก่อสร้างอย่ดีว่ามันเริ่มขึ้น แต่เจดีนี้มีความสำคัญยังไงก็ต้องขอตอบว่าถ้าเฉพาะเจดีจริงๆก็มีความสำคัญเพราะว่าพระเจดีือวาเป็นองค์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราเห็นพระเจดีเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติ แต่เราเห็นภาคเจดียั้ราจะนึกถึงว่าสองคนสร้างก็เป็นสังขารโนสติเห็นภาคเจดียสวยเป็นภาคของกุศลตายไปสวรรค์ทันทีถ้ามีจิตใจมั่นคงมากเป็นสมาธิสูงก็ไปพรมธมโลกตายที่เฉพาะเจดีย์ตอนนี้การกอร่อสร้างทุนไม่มีรือบรรดาันพุทธบริษัทคงจะมีคนทําบุญมารวมแล้วทั้งหมดไม่เกินามพันบาท เขาไม่ได้โฆษณาเมื่อจะเริ่มากรารก่อสร้างควาอภิชาติสุ ข, ขมุมที่อยู่กรุงเทพก็นําทุนมาให้หนึ่งแสนบาทต่อมาให้แสนบาทต่อมาให้อีกหนึ่งแสนบา ท, า 1, 000, บาทรวมแล้ว็สามแสนบาทเป็น 3, 000, ทุนสำรองไม่ใช่ใยืมมาควาิชาตให้เลยให้ทําเลยก็ทําด้วยไปจนทันจบ ใอ้จบนี้ก็ไม่รู้ราคาเท่าไหรเพราะวัดนี้การก่อสร้างไม่เคยรู้ราคาแน่นอนเพราะเวลาทำงานทำร่วมกันหมดทำไหลาำคลาวหลสถานที่ซื้อของมาครอบกันจใจตีราค า, าคร่าวๆหนึ่งเจดีทั้งองค์เจดีด้วยของนเจดีด้วยให้ตีราคาสัก5้าล้านนี่ไม่พอ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณอภิชาติสุขุมกับคุณแสงเดือนแมนวงไปซื้อแก้วเจรไนจากฝรั่งเศสไม่ใช่แก้วลูกเดียวนะเขาสวยสงามมากมีกิ่งมีก้านมีเครื่องประดับประดาสวยสดงดงามไปแก้วใหญ่มากราคาเรือนแสนอามาเป็นที่ใส่พระปรมสาดีทิกธาทั แล้วก็ในนั้นก็ยังมีพระที่มีคุณค่าสูงอย่างพระทองคําเป็นทองคําบุกคณนะโยมสันผู้ก่อนอาจารย์สันผู้ก่อนพิจิตโลกนามาถวายพร้อมด้วยเครื่องประดับเอาบรรจุใส่กล่องไว้ในนั้นแล้วก็มีพระสมัยรุ่นโน้นเขาลือกัน ว่าเป็นสมัยที่พระเจ้าพระเจ้าสีธรรมสีธรรมปิดกพระเจ้าสีธรรมปิฎกก็คือพระเจ้าพระมหาราชเราเรียกกันว่าพระเจ้าพระมาราชเป็นชื่อเดิมแต่เนื้อแท้จริงๆเมื่อจะเป็นพระเจ้าดินชื่อพระเจ้าสีธรรมปิดก พระเจ้าศีธรรมปะดุจแพระเจ้าพระมหาชรามาสร้างวัดวั ด, วดหนึ่งใกล้เขตพิษณุโลกกับพระเจดีย์ต่อกันไม่ทราบปจุโยตรงไหนแน่แล้วก็สร้างพระเจดีย์บรรจุกพระพุทธรูปเทวรูปไว้มากคณะุณยมสารพวกก่อนทราบข่าวว่ามีคนเขาไปขุด เมไปติดต่อขอซื้อเขาก็ให้เป็นว่าชาคณะนี้ลงทุนไปหลายหมื่นบาทครอโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งตลับใส่พระรงศสารีกธาตุเขาคิดหมื่นบาทความยินไปตับไม้ท่านก็ซื้อมาคณะนี้ศรัทธาสูงมากแต่ก่อนที่จะซื้อมาจะบอกว่าก่อนที่ทำการขุด ว่าคนที่ขุดพบเน่นเขาขายเอกสิทธิเขาขุดพบก็ได้อะไรไปบ้างก็ไม่ทราบนีคณะนี้ต้องการจะขุดต่อไปเขาขายสิทธิของเขาทั้งที่ไม่ใช่เจ้าของเขาขายให้ราคาหลายหมื่นบาทจะไม่ได้สามหมือนถึงสี่หมืนก่อนที่เรามากุตก็ทำพิธีบงวงสรวง คาว่าบูงสูงนี่รัดาท่านพุทธบริษัทถ้าเป็นนักธรรมเกินไปแล้วก็มันจะไรเหตุไรผลเป็นพิธีกรรมที่มีผลพิธีกรรมที่เขาเชิญเทวดามาได้เชิญพร ม, มันได้รรตนนาพระมาได้ก็แล้วกันอย่างเจ๊เขาเข้าทรงในพิธีของเขาเขาทำอะไรแปลกๆนั่นก็เห็นอยู่แล้ว ว่าสิ่งที่รับที่มีอยู่ที่เราไม่สามารถเห็นได้นตมีอยู่เมื่อทำพิธีบวงสวงเสร็จเสียงใต้ดินคกกกกกกกึกขับคึกขับคล้ายๆกับคนขนขอ ง, ของจะหนีเสียงดังสะท้านมเหนือดินก็โยมสันผู้ก่อนบอกว่าไม่เดาไปไหนรอกจะขุดไปถวายหลวงพ่อที่วัดท่าสงเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็เป็นพระ ท่านก็จะมีสิทธิ์ไปขอว่าของนี้เป็นของสงก็ถือว่าไปถวายหลวงพ่อก็แล้วกันพระบอกเพียงเท่านั้นเสียงก็เงียบถ้าขุดได้ตามความประสงค์เมื่อขุดไปขุดไปแล้วก็เธอก็นำเอาของมามาแจ้งข่ให้ทราบว่ายังไม่ได้พระองค์สารีรัตน์ก็บอกให้ไปบูชาใหม่ ว่าพระโลงศารีกทัตรอยู่ทางไหนให้ตั้งใจขุดทางนั้นให้คิดเจขุดทางนั้นก็นเป็นว่าแปลว่าได้พระโลงศารีกษตเขาถวายพระพุทธรูปเทวรูปมามากดันั้นเจดียวนี้จึงบรรจุของทั้งหมดคณะขยมสอนผู้ก่อนพิศุโลกทางการะด้าของท่านนำมาเอาไว้ในเจดีหลังนี้ เคยพูดผิดไปเอาไว้ในเจดีย์องค์นี้ท่านถ้าก็ยังมีของอีกมากที่บรรดา ญ, ญาติโยมผู้รวดสัตว์บูชาที่เป็นแก้วเหมือนแหวนเงินทองนี่บูชาพระตันทใจอีกมากถ้าจะคิดจริงราคาในทั้งเจดีย์และเจดีย์ถ้าใครให้ห้าล้านนั้นสิบล้านก็ไม่ขายทั้งนี้เพราะอะไรพระไม่มีอาชีพขายจจดี พระไมนมีชีพขายพุทธรูปกระรงความว่าเจดีมีค่าสูงสุดที่มีความสำคัญจริงบรรดาท่านพุทธริัทก็คือว่าที่พระท่านมัดจัดการสร้างเองท่านเที้ยวเห็นได้สร้างเป็นความประสงค์ของท่านเป็นการยากที่เราจะได้พบแต่สถานที่ทั้งอาชีวะต้องสร้างตรงนี้ พราบริเวณนี้เป็นที่มีพระบรมสารีริกทาตมากสร้างทัพลงไปกับวิหารของพระพระุทธเจ้า อ, อมตะมิตรหลังหนึ่งนั่นทัพที่พระบรมสารีริกธาตุยังขึ้นอยู่เสมอเวลาขึ้นมาจากดินก็สวยอารามมันก็ดาวดวงใหญ่ลอยเหลือยอดไม้อยู่บ่อยๆวนไปวนมาแล้วกลับที่เดิมวิหารนั้นต้องท่านก็สามต้องสร้างตรงนั้น แค่ตรงนั้นก็เป็นสิ่งมหัศจรรรถแท็กเตอร์เวลาทะเบีนที่อยู่ดีๆถึงตรงนั้นดับเครื่องไปไม่ได้จะถอยสไ้า์เครื่องติดทำงานอื่นได้ก็ถึงที่ตรงนั้นเครื่องดับห้ามผ่านธรรมดาทังพัตภัยสัตว์หลายนั่นเจดีหลังนี้เมื่อสร้างเสร็จจึงกำหนด จับรรจุพระบรมสารีกธาตุวันที่18 12, 200, ก, กุมภาพันธ์2565เกรงกับกวนกรรส า, ารเมื่อวันมาค้าบูชาถ้า น, นับอายุอาตมาตามใบสุธิก็75ปีครบอายุไขเพราะเวลานี้เป็นเวลาอายุไขมีแค่75ปีไม่ใช่ร้อปี ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ควรจะตายอยู่มานานแล้วแต่ว่าทั้งนี้ก็โดแด้แต่พระท่านพระท่านจะให้ตายหรือไม่ให้ตายเป็นเรื่องของท่านถ้าท่ายังอยู่ทำงานไหวก็ทำทำงานไม่ไหวก็เลิกทำเพราะอะไรเวลานี้มันเบื่อทุกอย่างงานที่ไม่เบื่ออยู่อย่างเดียวคือสอนกรรมาฐาน สอกนกรรมาฐานเท่านั้นที่ไม่เบื่อเพราะเชือเป็นหน้าที่เช่นขอบรรดาลูกหลานทุกคนเงินที่ทําการก่อสร้างนี้นอกจากเงินสามใสขอคุณพริชาติสมแล้วนอกจากนั้นทั้งหมดเป็นเงินที่ลูกหลานทุกคนให้มาใช้เป็นส่วนตัวเงินใช้เป็นส่วนตัวนีใ้ใช้ทุกจุดเพราะวัดรูปองค์ห้าหมื่นไม่พอเอาเงินส่วนตัวใช้ ห้องห้อ ง, องละห้าหมือนไม่พอก็เติม น, นเงินส่วนตัวแต่ว่าขอญาติโยงลูกหลานทุกคนที่มาที่วัดท่าสงเห็นอภิเษกดวงนี้เข้าจึงคิดว่าเจดีย์นี้เป็นของเราเราเป็นเจ้าของพระเจดีย์กำลังใจข้ดารพุทธรรมสั์จะมีธรรมปีติ เมื่อตั้งใจนึกถึงเจดีที่วัดท่าสูงเห็นเขาแล้วจาภาพได้เป็นนึกวันไปทุกวันทุกคืนตื่นใหม่ๆนึกทิพยหนึ่งหลับก่อนจะหลับนึกหน่อยหนึ่งเพียงเท่านี้จะมีรมติดใจเป็นเป็นฌาน จ, จิตเจี๊ยบในภาพของโภนเพียงเท่านี้บรรดาแต่พุทธศาสนากชนเมื่อลาท่านตายท่านยนลิกอบายภูยมิได้ ในการทํามูลที่วันนี้ ท, ทําไมาจึงต้องทําให้สวยมีบางคนก็บอกว่าทําเกินหน้าเชาวบ้านเขาบ้างทําชอบเอาเด่นบ้างมีคนเขามาเล่าให้ฟังเขาไปว่าคนคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ว่าจะมาชอบเอาเด่นความเจรครัว่าดีแต่ว่าคำว่าด่นเนี่ยมันไม่รู้อยู่ตรงไหนที่ทํานี่ทำต า, ามใจพระ ไม่เคยตามใจคนพูดคนพูดเนาไม่มีส่วนในการทำแล้วก็ไม่มีส่วนในการทำบุญตะตังบาทหนึ่งก็ไม่เคยให้ถ้าเยอะตามใจทำไมถ้าถามว่าทาตามใจพระมีประโยชน์ยังไงก็ขอแตว่าในเมื่อจอะมาบทพระบทมาเพราะพระท่านสอนก็ต้องตามใจท่านมีชีวิตได้เพระอาศัยพระ มีข้าวกินพระพระมีผ้า น, นุ่งผ้าห่ม พ, มพระพระมีที่อยู่พระพระมียารักษาโรคพระพระมีเครื่องใช้ไม่ส่อทุกอย่างพระพระพระท่านสงเคราะห์ปฏิบัติตามใจท่านญาติโยมก็ชอบใจเมื่อญาติโยมชอบใจมีศรัทธา ญ, ญาติโยมก็ให้อาศัยบา ร, รมีของพระถ้าเราเราบวชมเพราะอาศัยพระแต่เราไม่เชื่อพระถ้าบอกว่า มารกมีจริงสวรรค์มีจริงภู ม, มโลกมีจริงนิพพานมีจริงตายแล้วยังไม่สิไ ม, ไม่สิ้นอิเลยตรงตัวเวีนว่าใจเกิดเราไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็แสดงว่าเราเป็นนิรศีเป็นคนนอกวัฒนารรมเวลาบทอาศัยพระอาศัยบา ร, รมีของพระถ้าบวชเข้ามาแล้วกลับไปเปลี่ยนแปลงคําสอนของพระอัตมาก็ยอมทํำตามนั้นไม่ได้ อีกประการหนึ่งเขบอกว่าสร้างอะไรก็ใหญ่มากมีคนพูดน่ารังเกียจไม่ใช่พูดสงเกียรติท่านหนึ่งเมื่อสร้างสระสองไร่ได้สองปีเสร็จไปสองปีเขามานั่งเคาะพื้นที่วัดสร้างทําไหมมันใหญ่โตจะพูดคนที่ไหนมาแต่ความจริงการสร้างสระสองไร่จะช้าไปหนึ่งปีการสร้างมัสร้างปีหกเดือนเสร็จ เป็นก็ไม่ช้าแต่ว่าที่ช้าเพราะว่ามีปีหนึ่งพอกรถินทอดเสร็จพระเจ้ากรสังปีนี้ต่อไปนี้ต้องสร้างศางลาถึงสองไร่ให้แล้วเสร็จภายในกระถินปีหน้ามันได้ย้ายโยามพระบริษัทมันเป็นคอนกรีตจะสร้างเสร็จได้ยังไงก็ยังสร้างไม่เสร็จพรอถึงกระถิ่นปีหน้าปีนั้นตระเวนเฉพาะรถบัสมาห้าสิบคัน พระลาพระวินิจไม่พอลน้นรถเก๋งอีกต่างหากรถตู้ต่างหากพอสร้างเสร็จก็ถิ่นปีที่สร้างเสร็จล้นสะคนล้นสล า, าไม่ใช่พอดีกับคนในคนล้นสล า, าโดยเฉพาะปีนี้หลายลน 2, 4, ้น 2,534 เป็นไหลายล้นสล า, าเป็นอนุบาตั้งแต่ปีพศ .2300 อสองพันห้าห้าร้อยสา2 5ิ5้าเป็นต้นไปจะรับกฐินที่สลาสิบสองไร่สลาที่ส2องไร่ถี่ไม่ใช่คนอื่นอาตมาเองก็คิดว่าท่านสั่งสร้างทำไมที่แรกก็คิดไม่ออกคิดว่าถ้าเป่าแจางก่าเพชรสลาสองไร่ก็พอต่อมาไม่พอให้สลาสี่ไร่ร่วมเป็น6กไร่ก็ไม่พอ ต่อมาสลาทิศสองไร่ต้องสามรอบอดัมบัรดาท่านผู้บริษัทเรื่องของการสร้างเจดีย์ก็ยุติกับเพียงเท่านี้นะในวันมาคบูชาสองหารสิห้าตรงที่18แปดกุมภาพันธ์ขบันดาทุกท่านมาร่วมกันนมัส ก, การพระเจดีย์หนังสือนี้ออกวันนั้นนะหนังสือนี้จะออกวันบรรจุโลงท่าจะแจก แจกจะพกับคนที่ทำบุญไม่ใช่แจกฟรีถ้าแจกฟรีเดี๋ยวไปทำกระดาษช็ดก้นหมดรบรรดานันพทบริษัทโดยเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพัฒนาบงคนสบนบนคนมบูรณ์บนผลจงมีแต่บรรดานันพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดีเวลาอี่ที่แปดวินาที